พระบัญญัติ472เมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วเมื่อกฐินดอดแล้วถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สินราตรีหนึ่งต้องอบัตนิสัิยปาจิตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบ